2. กายสังสัก ข, ขสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังขารทิเศตเพราะการถูกต้องกายกับมาตุคามเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายี